ศึกษาธรรมะเพื่อปวามพ้นทุกข์นะ ศ, ศึกษาเรื่องทุกข์บางคนบอกศาสนาพุทธมองโลกแง่ร้า ย, ายพูดแต่เรื่องทุกข์จริงทุกข์คือกายกับใจเราเรียนเรื่องทุกข์เรียนรู้กายเรียนรู้ใจวันหนึ่งพ้นทุกข์ยิ่งเรารู้กายรู้ใจนะน่นใจถึงวันหนึ่งใจมันจะค่อยๆถอดถอ น, ถอน มันถอยออกจากกายจากใจอย่างเราหัดใหม่ๆเราก็ยังรู้สึกได้นะรู้สึกใ้กายกับใจค่อยๆห่างออกไปเรื่อยๆให้เราหัดภาวนานะเพราะเรารู้สึกตัวเป็นเราจะเห็นกาย ก, ายก็จะอยู่นอกๆความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์กุศลอกุศลไปอยู่นอกๆห่างๆกิเลสก็ไหลอยู่ห่างๆมันมันแยกออกจากจิตใจของเราแมื่เรายิ่งภาวนาไป วันหนึ่งก็แยกขาดออกจากกันแต่เราไม่เข้าไปเสวย อ, อารมณ์ใดๆเหตุอิสระอยู่ด้วยตัวของตัวเองนะมีแต่ความสุขตอนนี้ระหว่างหัดปฏิบัติบางครั้งจิตใจก็แยกออกจากกายแยกออกจากเวทนาความสุขทุกข์แยกออกจากสังขารที่เป็นกุสลอากุสสนบางครั้งก็เข้าไปรวมกันอีกแยกบ้างรวมบ้าง แตการที่จิตยแยกออกมาจากขันเนี่ยมันทําได้สองแบบแบบหนึ่งใช้สมาธินะอย่างที่ชาวเชียงใหม่เคยฝึกกันน้อมใจเข้าไปจับความว่างไว้เฉยๆพ อ, อน้อมใจไปอยู่กับความว่างก็คล้ายๆกับเราไม่ต้องไปสนใจขันเหมือนไม่มีกิเลสคล้ายๆว่าเราไม่มีความทุกข์ที่ไม่มีความทุกข์เพราะเราไม่ยอมไปดูทุกข์ ไม่ใช่มีความทุกข์เพราะสติปัญญาแก่รอบเราพ้นทุกข์แต่ว่ามีอีกวิธีหนึ่งก็คือรู้ทุกข์รู้ลงไปในกายรู้ลงไปในใจพอรู้แจ่มแจ้งเนะ่ะจิตมันถอดถอนตัวเองออกจากทุกข์มันไม่เอาระมันต้องรู้แจ้งนะมันรู้แจ้งว่านี่ทุกข์ล้วนๆถ้าภาวนาจนเห็นกายนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเห็นจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆจิตมันจะสลัดขันคืนให้โลกไปเลย แต่เมื่อเรามันหนีขันไหมมันไม่หนีขันเนี่ยความต่างที่อยู่ตรงนี้นะถ้าเราน้อมใจไปสู่ความว่างเนี่ยเราหนีที่จะขันแต่ถ้าเราภาวานาจนเราเห็นแจ้งขันเนี่ยเราอยู่กับขันนั่นแหละแต่ไม่ยึดถือขันมันไม่กระทบกันไม่กระทบไม่ใช่เพราะว่าหนีไปไม่มีความทุกข์ไม่ใช่เพราะว่าไม่ยอมรับรู้บางคนภาวานามีเยอะนะมีภาวานาไปเรื่อยๆสาย หลายสายที่ที่ทำไปตรงนี้ไปสู่ความว่างๆแล้วนะไปอยู่ที่ความว่างๆไม่เกาะอะไรแล้วก็บอกว่าพ้นทุกข์และเป็นพระอรหรันต์เหมือนพ้นไปเพราะว่าไม่ดูเหมือนนกกระจอกเทศเอาหัวซุกปีกไว้แล้วก็บอกว่าไม่มีศัตรูเหมือนคนละเรื่องกันนะั่นที่เราต้องรู้กายต้องรู้ใจอย่าไปรู้ความว่างรู้ลงในกายในใจมากเข้ามากเข้านะ ถามว่ารู้ไปถึงเมื่อไหรรู้ไปจนเมื่อหายโง่อะนะรู้ไปจนจิตเขาสลัดของเขาเองอย่าไปน้อมจิตให้หนีออกจากขันให้เรียนรู้ขันไปถึงจนหนึ่งเขาสลัดของเขาเองมันเหมือนโลกนี้พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยมันคล้ายๆแต่เดิมนะเราหยิบหยิบช่วยขันไว้อย่างเงี้ยนะหยิบไปแล้วเราทํายังไงจะปล่อยได้นะ แต่วันหนึ่งเรารู้เลยว่าขันกับจิตใจของเราเนี่ยมันคนละอันกันมันไม่ใช่เป็นเนื้อเดียวกันปุถุชนนะั้มันจะเป็นเนื้อเดียวกันพวกที่ไม่เคยหัดเลยอยากรู้สึกเป็นก้อนเดียวกันคือเป็นเรา<ม>เพราะพวกเราหัดใหม่ๆเรารู้สึกไหมว่มาขันก็ส่วนขันนะจิตก็อยู่ส่วนจิตอกีกมันแยกกันคล้ายๆตัวรู้เนี่ยมันแยกออกจากกายแยกออกจากความปรุงแต่ง แต่ว่ามันยังไม่ไม่หลุดออกจากกันที่ไม่หลุดจากกันเพราะว่าจิตของเรานี่แหละไปรองรับมันไว้แล้ววันหนึ่งเห็นความจริงนั้นะมันจะพลิกมันเหมือนเราพลิกพลิกมืออย่างเงี้ยมันจะร่วงลงไปเองมันจะทิ้งของมันเองนะงานหน้าที่เราเนี่ยไม่ต้องหาทางปล่อยวางขันไม่ต้องพยายามที่จะทิ้งขันหน้าที่เรามีอันเดียวรู้ขันลงไปรู้กายรู้ใจลงไปรู้ให้มากๆา พระพุทธเจ้าถึงบอกว่าการรู้กายรู้ใจที่เรียกว่าสติปัฏฐานเนี่ยเป็นทางสายเดียวไม่มีทางสายที่สองแล้วไม่มีทางที่รัดสั้นยิ่งกว่า น, นี้แล้วแท้จริงแล้วทางมีทางเดียวนะไม่มีสั้นไม่มียาวอะไรหรอกแต่เราชอบไปเดินอ้อมค้อมเราไม่เดินในทางเราก็เลยรู้สึกว่าอ้อมนานแต่ถ้ามาลงมือเจริญสติรู้กายรู้ใจเราจะรู้สึกว่ารัดสั้น แท้จริงไม่ได้ลัดสั้นทางก็คือทางยาวเท่าเดิมนั่นแหละแต่เราถ้าเราไม่ไปเดินอ้อมอ้วมเราก็รู้สึกทางนี้สั้นถ้ามัวเดินอ้อมนะเดี๋ยวก็โฉบเข้ามาตรงนี้ทีเดี๋ยวก็ออกห่างออกไปอีกเนะที่ยวสแสวงหาไปเรื่อยการเที่ยวสแสวงหานะั้นไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับเราเลยนอกจากความเนินช้าแต่การที่เรามีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเนืองเนืองนั่นแหละ มันสั้นที่สุดที่จะสั้นได้แล้วไม่มีทางที่สอ ง, งั้นอย่ารีบร้อนนะรู้กายรู้ใจแล้วไม่ต้องรีบแล้วทำไงจะเร็วกว่านี้รู้กายรู้ใจแล้วไม่มีทางที่จะเร็วกว่านี้เมื่อก่อนหลวงพ่อก็อยากได้ทางที่สั้นๆ น, นะสั้นกว่านี้อีก<ม>เราหาัดรู้กายรู้ใจจนชำนิชำนาญแล้วไปหาครูบาอาจารย์ชอบไปถามท่านว่า เนี่ยผมดูอยู่ที่จิตที่ใจนะก็เห็นแต่ความปรุงแต่งเห็นลนะ่วใจเข้าไปยึดใจก็ทุกข์ใจไม่ยึดใจไม่ทุกข์อนะไรก็เห็นอยู่อย่างเนี้ยเห็นทั้งหลายสิ่งทั้งหลายผ่านมาผ่านไปเนี่ยผมดูอยู่อย่างนี้แล้วผมควรจะทำยังไงอีกเพื่อให้การปฏิบัติเนี่ยดียิ่งกว่านี้เพื่อจะได้ไปเร็วๆนั่นแหละครูบาอาจารย์จะบอกว่าไม่มีทางให้เร็วกว่านี้ล้ เมื่อมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันแล้วนะไม่มีวิธีใดที่จะเร็วองหัว น, นี้อีกท่านบอกอย่าใจร้อนมันเหมือนผลไม้ต้องรอเวลาให้มันสุกงอมถ้าใจร้อนไปเก็บผลไม้มาบ่มนะมันไม่หอมมันไม่หวานไม่อร่อยงั้นเราไม่ใจร้อนเราก็รู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปรู้มากที่สุดเท่าที่รู้ได้คือรู้ตั้งแต่ตื่นจนหลับ วิธีปฏิบัติของหลวงพ่อนะมองด้านหนึ่งเราง่ายที่สุดเลยเพราะไม่ต้องทำอะไรมองอีกด้านหนึ่งยากที่สุดเลยเพราะต้องทำตลอดเวลาทำตลอดเวลาก็คือมีสติรู้กายมีสติรู้ใจตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับมีข้อยกเว้นยกเว้นเวลาที่เราทำงานที่ต้องใช้ความคิดในขณะที่ทำงานที่ต้องคิดนะไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้แต่ว่าเรามีหน้าที่ต้องทางานทุกคนมีหน้าที่หมดนะกะทั่งพระ อย่างพล้าถึงเวลาต้องมาคุยกับญาติโยมเนี่ยไม่ใช่เวลารู้การรู้ใจละหรือญาติโยมเวลาไปทํามาหากินที่ต้องใช้ความคิดไม่สามารถจะรู้การรู้ใจได้ดังนันในขณะนั้นเป็นข้อยกเวน้นไม่ได้เจริญวิปัสสนาไม่ได้ทําสมถะด้วยมีแต่สมาธิอย่างโลกโลกจ ด, ดจ่ออยู่กับ ง, งานเมื่อเราทํางานไปแล้วใจเราขวัดแขวงยินดียินร้ยนยนายขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลขึ้นมาเรามีสติรู้ทัน สติมันเกิดเองการปฏิบัติมันก็จะแทรกตัวอยู่ในระหว่างการทํางานนะเป็นช่วงเล็กๆช่วงสั้นๆเล็กๆงั้นเวลาที่เราทํางานสมมติเราทํางานอยู่แปดชั่วโมงเนะี่ยไม่ใช่จะมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่มีสติแปดชั่วโมงไม่ใช่อย่างเวลาที่เราทํางานจริงๆมันมีงานวิจัยรองรับนะว่าคนที่บอกว่าทํางานมากพิดมากทั้งวัน่ จริงๆแล้วทํางานที่ใช้ความคิดจริงๆวันหนึ่งรวมๆแล้วไม่ถึงสี่ชั่วโมงหรือประมาณสี่ชั่วโมงนั้นเวลาที่เหลื อ, อไว้ใจลอยเอาไว้ทําอย่างอื่นยกตัวอย่างอย่างเราตื่นนอนขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่ได้ทํางานตรวนี้เราก็ต้องดูเอาตอนขับรถหรือนั่งรถไปที่ทํางานตอนนี้ยังไม่ใช่เวลาทํางานบางคนเดินเข้าไปถึงที่ทํางานนะไปถึงก็ไขกุญแจนั่งเก้าอี้ เปิดคอมพิวเตอร์อะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ยังไม่ใช่เวลาทํางานเนี่ยไม่ใช่ข้ออ้างที่จะไม่ได้ว่าไม่มีเวลาปฏิบัตินะหรืออย่างเราทํางานแล้วเนยเดี๋ยวโทรศัพท์มาเนี่ยแหมมันอินเทอร์เน็ตนะโมโหขึ้นมาละโมโหมีสติรู้อีกเนี่ยหรือเราทํางานแล้วเราจะต้องไปห้องน้ําอากาศหนาวอย่างนี้ต้องไปบ่อยหน่อยตอนจะไปห้องน้ำํำนี่ลุกขึ้นมาเพื่อนไหวเดินไปห้องน้ําเำก็มีสติไป ไปทำธุระเสร็จเดินกลับมาก็มีสติกลับมารู้กายรู้ใจรู้กายรู้ใจไปแล้วแต่ว่ามันจะรู้อะไรรู้ไปเรื่อยๆพระเจ้าจอยู่หัวท่านเคยไปเล่าให้หลวงพ่อเกษมเขมมะโกที่ลําปางฟังท่านงานเยอะพวกเราอย่าอ้างว่า ง, งานเยอะนะคงไม่เยอะเท่าท่านหรอกท่านบอกท่านงานเยอะแต่ท่านแบ่งซอยชีวิตของท่านออกเป็นช่วงช่วงเล็กๆช่วงแคบๆ ช่วงนี้ทํางานมีเวลาเหลืออยู่สองนาทีถ้าของเราเหลือสองนาทีเราจะโยนทิ้งแล้วบอกเราต้องพักผ่อนท่านบอกว่าถ้านเาเวลานาทีสองนาทีเนี้ท่านตามรู้ตามดูเลยจะถึงเป็นพระราชาที่ทรงทําได้ไม่มีข้ออ้างบอกงานผมเยอะผมไม่ต้องปฏิบัติได้ไหมไม่ผมกเกษียณแล้วผมค่อยทําไม่ได้นะไม่ทันกินหรอกฉนั้นนี่มีเวลานาทีสองนาทีก็ต้องดูเข้าไปเลย หลวงพ่อภาวนาด้วยวิธีอย่างนี้ดจนตกค่าไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรมเป็นข้อวัดก็ทําไปทุกวันวันไหนเหนื่อยฟุง้งซ่านมากก็ทําเพื่อความสงบวันไหนจิตใจสงบดีแล้วเราไหว้พระสวดมนต์เราก็รู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆ อ, อย่างเราเห็นปากพังงาปงงาเห็นร่างกายมันสวดมนต์ แต่เราเป็นคนดูเรารู้สึกเลยตัวที่กำลังอ้าปากอยู่นี้ไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาหรือเรานั่งภาวนาหายใจออกหายใจเข้าอยู่ใจหนีไิคิดเรารู้ทันใจไปเพ่งลมหายใจรู้ทันใจเป็นไงรู้ทันหรือบางทีจิตรวมเข้าไปนะเห็นแต่สภาพธรรมะบางอย่างที่มันไหวหๆอยู่ภายในไม่รู้ว่าคืออะไรพอจิตเรารวมเข้าภายในแนละ้วเราเห็นข้างในมีความกระเพื่อมไหวอยู่ แต่เราไม่รู้ว่าคืออะไรก็ไม่จำเป็นต้องรู้เราก็รู้สภาพที่ไหวๆนั้นไปพอเรารู้สภาพที่ไหวๆแล้วจิตเราถลมลงไปเราก็รู้ทันว่าจิตถลมลงไปเราดูความเคลื่อนไหวภายในแล้วนะจิตเกิดสงสัยว่าอันนี้คืออะไรรู้ว่าสงสัยกนะารภาวนาเนี่ยจะไม่มีเว้นบักเว้นตอนนะค่อยๆฝึกอย่างนี้หลวงพ่อใช้เวลาไม่นานหรอกประมาณเจ็ดเดือนเพ่อจะเรียนรู้จิตใจตนเอง เมื่อเราเรียนรู้จิตใจตนเองได้ดีแล้วครูบาอาจารย์ท่านก็บอกเลยว่าเราช่วยตัวเองได้คนซึ่งไม่รู้ทันใจตัวเองนะั้นยังช่วยตัวเองไม่ได้หรอกเพราะกิเลสมันครอบงําใจของเราทั้งวันมันจะลากเราลงอบายไปเรื่อยๆถ้าเรารู้เท่าทันจิตใจตนเองแจ่มแจ้งแนละ้วกิเลสครอบงําใจไม่ได้มาได้เหมือนกันนะมาได้แบบแบบวบๆวสติไปเรื่องรู้ก็ขาดสะ บ, บั้นตรงนั้นเลย แล้วก็ปิดอาบายไม่ต้องไปอบายได้ครูบาอาจารย์เขบอกว่ามีที่พึ่งแล้วคือมีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งจริงๆไม่ใช่แค่สวดมนต์ว่าพุทธังสระนังขจามิธรรมสระนังคัจามิอันนั้นมีที่พึ่งเฉพาะวาจาแต่ใจไม่มีที่พึ่งใจยังเป็นเด็กร่อนเร่เป็นจรไม่มีที่พึ่ง แต่ถ้าเราภาวนาจนเราเข้าถึงจิตถึงใจที่แท้จริงของเราได้แล้วมันจะเกิดความอบอุ่นใจมันรู้สึกว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่แนละ้วเมื่อก่อนเป็นลูกกาําพร้าไม่รู้ว่าลูกใครนะแต่มาพอเราภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจตัวเองได้ครั้งแรกนะียเรารู้แล้วว่าเราเป็นลูกมีพ่อมีแม่พ่อแม่ของเราก็คือพระพุทธเจ้านะหรือครูบาอาจารย์ที่สอนเรา จนเราได้ดวงตาเห็นธรรมเราจะรู้สึกว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราครูบาอาจารย์องค์อื่นๆถัดมาเนี่ยแม้ว่าท่านจะสอนเราจนบรรลุพระอรหันต์นะเราก็าไม่รู้สึกว่าท่านเป็นพ่อเป็นแม่เราเราจะรู้สึกว่าเหมือนท่านเป็นพี่เราเป็นพี่เลีย้ยงงั้นคนใดได้ดวงตาเห็นธรรมเพราะฟังธรรมของท่านผู้ใดเนี่ยจะรู้สึกซาบซึ้งถึงอกถึงใจว่าท่านผู้นั้นคือพ่อคือแม่ที่แท้ จ, จริง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 จิตใจของผู้ปฏิบัติเมื่อได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วนี่มันจะมีความรู้สึกเหมือนกับคนซึ่งพยายามตะเกียกตะกายหาทางกลับบ้านหรือเหมือนเทียบกับคนที่เรือแตกในทะเลรู้แล้วว่าฝั่งอยู่ทางนี้กำลังตะเกียกตะกายเข้าหาฝั่งเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างลุุ่ ม, ม, มดอนๆอนไปบ้างกนะ็ตะกายเข้าหาฝั่งในทางจิตใจนั้นก็คล้ายๆมันดิ้นรน คนกว่าพยายามที่จะกลับบ้านบางคนก็มุ่งตัดตรงเข้าหาบ้านเลยรู้ว่าบ้านเราอยู่ทางนี้แล้วตามไปเรื่อยแต่บางคนมันทะเลาไหลมีเหมือนกันนะพอรู้ว่าบ้านอยู่ทางนี้ยังไม่ไปหรอกขอเที่ยวเล่นก่อนตัวอย่างของคนที่ขอเที่ยวเล่นก่อนคือนางวิสาขานางวิสาขาเนี่ยตั้งปณิธานไหมไหนยว่า เมื่อมีดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยขอเกิดอีกเจ็ดชาติเพื่อจะไปเสเวยกุศลผลบุญอันมหาศาลที่ตัวเองสร้างไว้แต่นางวิสาขาก็โง่อย่างหนึ่งนะไม่รู้หรอกว่ามันไม่ได้มีแต่บุญอย่างเดียวที่จะให้ผลมีความเกิดคราวใดก็มีความทุกข์แทรกเข้ามาได้เรื่อยๆไปแต่เขารู้สึกว่าเขาทำบุญเยอะาตั้งปณิธานแนละ้ขอเกิดอีกเจ็ดครั้ง เพื่อจะมาสเสวยกุศลผลบุญนีพวกลูกทะเลทลไหลลูกทะเลทะไลแล้วพวกไม่ทะเลทะไัลนะก็จะมาเจริญสติรู้กายรู้ใจลงไปเรื่อยๆไม่ยอมยอ่อทอนะแต่ว่ารู้กายรู้ใจไม่ใช่เพื่อที่จะเห็นความจริงของกายของใจเหมือนแต่แรกลนะเบื้องต้นที่เป็นปูตุชนเนี่ยเรามารู้กายรู้ใจเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันไม่ใช่ตัวเรา แต่ถัดจากนั้น่ะพอได้โสดาบันได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเราจะมารู้กายรู้ใจนะเพื่อให้เห็นความจริงว่ามันเป็นตัวทุกข์มันเป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยเพะ้วเรารู้ลงที่กายก็เพื่อให้รู้ทุกข์รู้ลงที่จิตใจก็เพื่อให้รู้ทุกข์แต่เดิมเราเราไม่ฉลาดกระทั่งพระอนาคานะก็มีความไม่ฉลาดอยู่อย่างพระอนาคานก็ยังรู้สึกว่าจิตใจซึ่งเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนี้เป็นตัวสุข ยังไม่รู้ทุกข์แก่แจ้งยังเห็นว่าจิตนี้เป็นตัวสุขอยู่แต่จิตที่หลงก็อยากหลงไปยึดอันนั้นจิตถึงจะมีความทุกข์นี่เรียกว่าสติปัญญายัางไม่แก่รอบพอมารู้ลงถึงจิตถึงใจอย่างแท้จริงนะันถึงวันหนึ่งเราจะเห็นนะทั้งกายทั้งใจนี้ไม่ใช่เป็นแค่ที่ตั้งของความทุกข์หรอกตัวกายตัวใจนั่นแหละเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเอง เนี่ยถ้าเห็นถึงขีดสุดตรงนี้นะเรียกว่ามีวิชาล้างอาวิชาร้ฟังฟังไว้หน้าวันหนึ่งจะได้ใช้ะฟังไปก่อนยังไม่ได้ใช้วันนี้หรอกถ้าเมื่อไรเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆนะก็จะปล่อยวางแต่ถ้ายังเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างนะมันปล่อยวางไม่ได้มันมีแต่จะดิ้นรนหนีความทุกข์ดิ้นรนหาความสุขเรื่อยๆไป งั้นให้รู้ลงที่กายรู้ลงที่ใจไปเป็นปุถุชนจะขึ้นพระโสดาบันนี้รู้ลงไปให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะเห็นไหมร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนหายใจออกหายใจเข้าเป็นแค่รูปประทับอย่างหนึ่งไม่ใช่ตัวเราจิตใจก็เป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงสั่งไม่ได้เดี๋ยวมันก็ไปเกิดที่ตาที่หูที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจเดี๋ยวมันก็เป็นสุขเดี๋ยวมันก็เป็นทุกข์เดี๋ยวมันเป็นกุศลเดี๋ยวมันโลภโกรธหลง เราเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้ดูไปอย่างนี้เรื่อยๆดูไปจนมันแจ้งขึ้นมาไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้ส่วนร่างกายไม่ใช่ตัวเรานะมันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุที่จิตมาอาศัยชั่วคราวนี่ดูลงไปนะตั้งเป้าหมายให้ถูกดูเพื่อให้เห็นความจริงว่าไม่มีเราไม่ใช่เราพอล้างความเห็นผิดว่าไม่ใช่เราได้ก็ได้โสดาบันถัดจากนั้นดูลงไปในกายดูลงไปในใจดูซิมันเป็นสุขจริงหรือ ใจนี้เป็นสุขจริงๆหรือจิตใจนี้เป็นสุขจริงๆหรือดูลงไปเรื่อยๆนะบางคนก็ไปแจ้งขึ้นมานะมันเป็นทุกข์ล้วนๆนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะยืนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์กินอาหารก็ทุกข์นะขับถ่ายก็ทุกข์เลยเดี๋ยวหิวเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวกระหายเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไเนี่ยมันมีแต่ทุกข์นะ ทุกอันหนึ่งหมดอีกทุกอันหนึ่งก็มารออีกแล้วเวียนอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานอกจากทุกไม่เห็นมีอะไรเลยเยอย่างนี้เห็นกายเป็นทุกเลื่อนๆนะจะได้ผ้านาคามีจิตไม่ยึดถือกายก็ไม่ยึดถื อ, ถ อ, ถอในตาหูจมูกลิ้นกายไม่ยึดถือรูปเสียงกลิ่นรสปทพะตัวรูปเสียงกลิ่นรสปทพะเรียกว่ากา ม, กามะคุณอารมณ์พอจิตไม่ยึดถือสิ่งเหล่านี้ก็จิตพ้นจากกามไม่หลงยินดีในกามไม่หลงยินร้ายในกาม พจนกรรมและปฏิคะการปฏิบัติจะบีบงงนะกระชับเข้ามาเรียนรู้อยู่ที่จิตอีกจนวันนึงเห็นว่าจิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะมันไม่เที่ยงเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโอ้มันทุกข์นี่หว่ามันไม่เห็นมันจะคงที่ได้เลยนะบางคนเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะมันถูกบีบขันพวกที่ทรงฌานอย่างคุณดำเกิง ต่อไปเวลาจะถึงอรหัตผลเนี่ยจะไปเห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆถ้าไม่เห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆจะปล่อยวางจิตไม่ได้เพราะว่าจิตที่ทรงฌานเนี่ยมีความสุขมากมจะเห็นแต่ว่ามีความสุขมีความสงบถ้าเคลื่อนออกไปจากตรงนี้ถึงจะมีความทุกข์จนวันหนึ่งสติปัญญาแก่รอบสุดขีดจริงๆนะถึงจะเห็นว่าโอ้จิตนี้เป็นทุกข์ล้วนๆเนี่มันถูกบีบคั้นภาะวะแห่งการบีบคั้นตรงนั้นนั้นรุนแรงที่สุดเลย เหมือนกับจิตนี้จะระเบิดเหมือนร่างกายนี้จะถูกภูเขาลูกใหญ่ๆบดๆลงมาอมันเห็นทุกข์ล้วนๆถึงจะยอมปล่อยส่วนบางคนซึ่งปัญญากล้านะหรือว่าไม่ได้เดินสมาธิมากก็จะเห็นจิตนี้เป็นทุกข์เพราะว่าบังคับมันไม่ได้บางองค์ง่ายๆนะนอนเล่นๆอยู่เนะี่ยอัตาตัวตนมันกระโดดเหนียวไปเลย เห็นแล้วไม่ใช่จิตจิตมันไม่ใช่เราอะนึ่เราก็ไม่ใช่จิตไม่มีเราไม่มีจิตอะไรเห็นแต่ธรรมชาติทั้งหลายปรากฏการทั้งหลายเคลื่อนเคลื่อนไปท่านไม่มีตัวมีตนอะไรไม่ได้เกาะเกี่ยวยึดถือกับปรากฏการใดๆเนี่ยแต่ละคนก็มีทางเดินเฉพาะของตัวเองแต่ทางเดินที่ว่าบรรลุเพราะเห็นอนิจจังบรรลุเพราะเห็นทุกขงังบรรลุเพราะเห็นอนัตตาเนี่ย ไม่ใช่ว่าเวลาปฏิบัติไปเลือกดูอันนี้จังทุกขังอนัตตาเวลาปฏิบัติให้มีสติรู้กายรู้ใจไปนั่นแหละแต่เมื่อมันรู้กายรู้ใจไปแล้วเวลาที่มันจะแจ้งขึ้นมาเนี่ยมันแจ้งในบุมมุมใดมุมหนึ่งด้วยตัวของมันเองเราไม่ได้เจตนาเรานึกไม่ถึงหรอกว่ามันจะไปแจ้งด้วยมุมใดนะัะนั้นเราไม่ต้องไปทําอะไรมากกว่าการมีสติรู้กายรู้ใจลงปัจจุบันเรื่อยๆไปไม่มีทางที่สองเพื่อความบริสุทธิ์หลุดพ้นที่มากกว่านี้ละ เราต้องเรียนรู้ต้องว่ารู้กายรู้ใจนะไม่ใช่บังคับกายบังคับใจไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจไม่ใช่กําหนดกายกําหนดใจรู้ก็กําหนดคนละเรื่องกันรู้ก็เพ่งคนละเรื่องกันให้รู้กายรู้ใจไปเรื่อยๆรู้เท่าที่รู้ได้อะไรเกิดขึ้นในกายคอยรู้สึกอะไรเกิดขึ้นในจิตใจคอยรู้สึกนะคอยรู้สึกเอารู้สึกไปเรื่อยๆอย่างจิตใจเราเนี่ยมันแอบไปคิดแวบ แล้วก็รู้สึกขึ้นมาโอ้อหลงไปคิดแล้วนะหรือมันมีความสุขผุดขึ้นมาโอ้อมีความสุขผุดขึ้นมานะี่ยตามดูอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะอย่าไปจ้องไว้อย่าไปจ้องอย่าไปดักดูให้ตามดูห้ามไปดักดนะูให้ความรู้สึกเกิดก่อนแล้วค่อยรู้เอาเส่วนจะจะดูร่างกายก็ดูลงไปตรงๆเลยดูปัจจุบันนะเห็นในร่างกายที่หายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ใช่ตัวเราดูลงไปตรงตรง แต่ถ้าดูจิตดูใจให้ตามดูไปเรื่อยๆแต่เวลาดูกายที่ว่าดูตรงๆก็อย่าไปเพ่งกายอย่าไปกำหนดกายถ้าไปเพ่งไว้ไปกำหนดไว้การเพ่งการกำหนดนั้นะปิดกั้นการเจริญปัญญามันทำให้เราไม่มีปัญญาเกิดขึ้นมันเห็นแต่ว่านิ่งๆลงไปเรื่อยๆอย่างบางคนไปรู้ลมหายใจแล้วไปเพ่งส่ยลมนะกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆบางคนไปดูท้องผองยุบไปเพ่งอยู่ที่ท้องกายก็นิ่งๆใจก็นิ่งๆ เดินจงกรมไปเพ่งเท้าเนกายก็นิ่งใจก็นิ่งมันนิ่งแล้วจะเอาไตรลักที่ไหนมาดูงั้นเวลาเรารู้เราเราจะอย่าถลําลงไปเพ่งรู้อยู่ห่างๆรู้อย่างสบายๆจิตใจต้องสบายนะในขณะที่เจริญสติว่าจิตที่เป็นกุศล น, นั้นมันสบายมันมีความสุขมีความสงบมีความอ่อนโยนนุ่มนวลจิตที่แข็งกระด้างจิตที่เครียดเครียดจิตที่หนักหนักนั้นมันอกุศลจิตอยเอาจิตชนิดนั้นมาเจริญปัญญา เราเกือบทั้งหมดเลยเวลาคิดถึงการปฏิบัติเราก็ไปบังคับจิตให้นิ่งนิ่ ง, งทื่อทแข็งแข็งขึ้นมาจิตที่แข็งจิตที่นิ่งจิตที่ซึมจิตที่ทื่อมันอากุสรจิตนะนอกุศรจิตมันไม่ใช่มหากุศรจิตมหากุสรจิตมีความเบามีความอ่อนโยนนุ่มนวลมีความปราดเปรียวคล่องแคล่วว่องไวนะมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่เข้าไปแทรกแซงอารมณ์อารมณ์ใดปรากฏให้รู้ก็รู้ไปอย่างนั้นแหละ แล้วไม่ถูกกิเลสไม่ถูกนิวรณครอบงำเช่นไม่ถูกความอยากปฏิบัติครอบงำนี่เรียกว่าจิตควรแก่การงานถ้าจิตถูกกิเลสครอบงำไม่เรียกว่าจิตควรแก่การงานเป็นจิตที่ทํางานอะไรไม่ได้จริงอย่างเราอยากปฏิบัติลงมือปฏิบัติด้วยการดูท้องพองยุบด้วยการรู้ลมหายใจอะไรนี้มีความอยากปฏิบัติเจืออยู่เนี่ยจิตในขณะนั้นเป็นอกุศลจิตสติตัวจริงจะไม่เกิดขึ้นเพราะสติจะไม่เกิดร่วมกับอกุศลอย่างเด็ดขาด เกิดร่วมกันไม่ได้เหมือนความมืดกับความสว่างไม่เกิดอยู่ด้วยกันเพราะถ้าไม่มีแสงสว่างก็มืดมีแสงสว่างก็ไม่มืดเหราะนั้นเมื่อไรมีสติอากุศลจะดับทันทีทันทีที่อากุศลดับนะจิตจะเบาจิตจะตื่นขึ้นมาโล่ ง, ลงลๆเบาๆนุ่มๆนวลอ่อนโยนมีความสุขโชยแผ่วๆขึ้นมาเป็นระยะระยะนั้นะจิตเลยมีสองอย่างจิตที่มีสมนัตคือมีความสุขแผ่วขึ้นมาแต่จิตที่มีอุเบกขา เป็นช่วงว่างระหว่างที่ความสุขยังไม่เฉยแผ่วขึ้นมาแล้วเราจะปฏิบัติไปเราก็มีความสุขไปด้วยไม่ใช่ปฏิบัติไปเครียดไปถ้าปฏิบัติเราเครียดทําผิดแน่นอนจิตที่เครียดเป็นโทสะมูรจิตจิตที่มีโทสะเป็นราก ฐ, ฐานเรียกโทสะมูรจิตเกือบผู้ปฏิบัติเกือบทั้งหมดนะปฏิบัติ ด, ด้วยจิตมีโทสะนะเกือบทั้งหมดปฏิบัติ ด, ด้วยจิตมีโทสะ บังคับมันคมมันจนมันเครียดนี่บังคับเก่งคมเก่งนะจนมันสบายครานนี้เป็นจิตที่มีราคะนั่งแล้วก็แม้มีความสุขนะเยิมทาหน้าให้ดูนะแหมมีความสุขเหมือนคนติดเฮโรอีนนะใช้ไม่ได้นะหรือปฏิบัติแล้วก็เงี้ยอย่างนี้จิตไม่มีโทสะนะ ใช้ไม่ได้จริงรู้สึกตัวได้จิตใจที่ธรรมดาธรรมดานะของคุณผู้ชายแถวที่สองเนี่ยดีขึ้นแล้วรู้สึกไม้มตอนนั่งฟังทีแรกแข็งปอกเลยนะจิตเครียดจิตแข็ง เ, เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มกลับไปที่เดิมละรู้สึกไหมเริ่มไปบังคับไม่เอาตรงนี้ไม่เอาตรงนั้นเป็นทางที่พระพุทธเจ้าห้ามท่านเรียกว่าอัตตะกิลมัฐานุโยกการบังคับตัวเองบังคับตัวเองบัง ค, บงบงคับกายบังคับใจจนรู้สึกแห้งผักเลย มีห้านาทีท่อตรวจกันบ้านคุณหนึ่งวันนี้จิตไม่ค่อยฟุ้งซ่านมากเท่าวันก่อนแล้วล่ะคะ่ะแต่มันยังมีจ้าหน่อยๆถูกต้องนะแล้วพอใจไหมหรือไม่พอใจมันบางทีก็ขัดใจบางทีก็พอใจสลับกันค่ะก็ ม, มีแบบไม่ยินดีไม่ยินรายบ้างไหมพ อ, พอใจนะก็ะสุดโต่งข้างหนึ่งไม่พอใจก็อีกข้างนรู้ซื่อ อีกอันรู้ไปเรื่อยๆก็มี ม, มีค่ะมีมรู้ซื่อๆเหมือนกันค่ะแต่รู้ซื่อๆกับรู้ซื่อบื้อไม่เหมือนกัน <c oughs> รู้ซ <c oughs> ื่ อ, อ <c oughs> ๆหมายถึงอะไร <c oughs> เกิดขึ้นเราก็รู้ไปอย่างมีความสุขรู้ซื่อบื้อแล้วก็ น้ำใจให้ซื้อบื้อแล้วของหนูเป็นแบบไหนอะมีทุกอย่างแหละมีรู้สึกมันจะพลิกไปพลิมาวันนี้มันพลิกไปทั้งไม่พอใจแล้วก็พอใจแล้วก็ซื้อแล้วซื้อบื้อเออมีทุกอย่างมันมันพอซื้อบื้อนี่คือมันไปกดเอาไว้เออกต้งแล้วก็พอรู้ซื้อบื้อก็ถอนออกมาเออใช่พอถอนออกมาก็ยังมีหลายแบบถอนออกมาเป็นผู้รู้ก็ถอนแบบเว่อไปเลยใช่ตอนนี้ถอนแบบเว่อร์ันนี้เว่อแล้วค่ะเอ ให้เรารู้ลงไปนะอ่ะได้อีกคนนึงก็สองวันนี้มันมีกำกำลังใจสองวันที่ผ่านมานะ่ยกาลังใจตั้งมั่นขึ้นนะคแล้วก็เห็นโมหะชัดเจนมากแต่ใจที่มันตั้งมั่นก็เลยนิ่งๆที่เห็นมันคือก็งงๆว่าเอ๊ะทําไมมันเห็นโมหะครอบเยอะมากเดีแต่ใจมันก็มันก็นิ่งๆเหมัอนกับเอ๊ะก็รู้ว่าเอ๊ะ หรือว่าเราตั้งเป็นกลางเองหรือเปล่าอะไรตอนนั้นนะคะใช้ได้ทํามถูกแล้วค่ะแล้วก็ตอนตอนขณะ น, นี้รู้สึกว่าขนาดรายงานอราจะหลวงพ่อนี่ก็จะใจเริ่มระหว่างเป็นการธรรมชาติเริ่มกลับมาเป็นกลางตั้งใจขึ้นมาเ อ, อเองใช้ได้นะช่วงนี้ภาวนาดีขึ้นรู้สึกไหมภาวนาดีรู้สึกมันมันเหมือนที่หลวงพ่อบอกมันเป็นเองมัน ม, มันไม่ได้เป็นมันบังคับไม่ได้จริงนะคะเราเรียนจนเห็นว่าบังคับไม่ได้ไม่ใช่เรียนจนกูเก่งไปบังคับได้ใช่ค่ะ แล้วก็จิตมันก็สนุกไม่เข้าใจคาว่าฉันทะมากขึ้นมันต่างกับความอยากเพราะว่ามันจะทําของมันแล้วมันก็สุขของมันเพราะถ้าอยากแล้วมันจะต่อสู้กับกิเลสมันจะมีความเกลียดค้านแล้วก็มีความเหนื่อยนายตัญหากับฉันทะต่างกันนะฉันทะเนี่ยมีความสุขที่ได้ลงมือทำเหตุส่วนผลเป็นยังไงไม่ได้คานึงถึง ส่วนตัญหาเนี่ยนะขี้เกียจทําเหตุฝืนใจทําเหตุเพราะว่าอยากได้ผลนั้นจิตใจหาความสุขไม่ได้ผู้ใดที่ภาวนาจนสติเกิดอัตโนมัติแล้วเนี่ยมันจะเกิดฉันทะขึ้นเองเนี่จะขยันดูนะเพราะไม่มีความสุขที่ได้รู้รู้อยู่ปัจจุบันก็มีความสุขแล้วไม่ต้องไปตะกายหาความสุขที่ไหนอีกนะเนี่ยมีฉันทะวิริยะจะเกิดเองขยันดูจิตตะก็จะเกิดเองคือจิตใจเราจะจดจ่ออยู่กับการปฏิบัติไม่ยอมวอกแวกไปที่อื่นหรอก ว, วิมังสาคือใจจะเคล้าอยู่กับธรรมะทั้งวั น, ใ, นใจนี่เคล้าเคลียในการเรียนรู้กายรู้ใจเรื่อยๆในสุดก็ประสบความสําเร็จในการปฏิบัติก็มีฉันทาวิริยาจิตตาวิมังสาแล้วฉันทาเนี่ยเรามีสติมีสติหลายๆทีนะมันเริ่มเห็นประโยชน์สุขมีทั้งประโยชน์มีทั้งความสุขประโยชน์ก็คือได้เห็นความจริงมีความสุขในขณะที่รู้ความจริงนั้นด้วยแล้วมันจะขยันดู มันก็ก็เลยมันชัดเจนกระทั่งเวทนามันก็ออกมาชัดเจนพร้อมๆกับดูจิตมันก็เลยบางครั้งเวทนากายกติมันมันเห็นสลับกันไปอก็เลยตอนแรกเอ๊ะสงสัยว่ามันกําลังตั้งใจเกินไปหรือเปล่าแล้วก็มันก็ลงไปจังหวะก็รู้ตัวว่าสงสัยคิดอะอเงยนั่นแหละรู้ลงปัจจุบันนะแล้วไม่พลาดค่ะกถ้ทิ้งปัจจุบันแล้วพลาดค่ะแล้วก็ตอนก่อนตื่นนอนเนี้ยค่ะคือก่อนก่อนจะนอนเนี้ยเห็นจิต มันมีทั้งโทสะโลบพัดเร็วมากแล้วก็กลัวอุ๊ยเดี๋ยวจะนอนไม่พอมันจะโมหะเยอะมีเห็นความกลัวแล้วก็เห็นอะไรก็แล้วพอหลับลงไปเนี่ยก่อนนาฬิกาจะปลุกเนี่ยเห็นจิตที่คิดเพราะมันต่อเนื่องจากก่อนนอนนะคะมันก็มีเครือบเคลือบของโทสะเข้าไปอ่ะอ่ดีต้องให้ได้อย่างนั้นแหละนะภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนนะ8โมงแล้วนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับ